เราเสพติดยอดไลค์กระทั่งทำอะไรที่ฝืนใจไม่ใช่ตัวเองบ้างไหมสังคมและอารมณ์คนเปลี่ยนไปมากผมเคยอยู่ในยุคที่ผู้คนได้แต่เสพอารมณ์ชอบใจของคนอื่นผ่านรอยยิ้มแววตาท่าทีและคำพูดซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องเจอกับตาได้ยินกับหูต่างจากทุกวันนี้ที่ผู้คนเสพความสุขจากจำนวนเลขไลค์ และอะไรทํานองนั้นผ่านโซเชียลมีเดียในมือถือและคอมไลค์ like, เป็นการแสดงความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วก็เป็นจุดเด่นสำคัญที่สุดของโซเชียลมีเดียซึ่งคนยุคเราเริ่มเข้าใจความสำคัญนั้นจากการนำเสนอของ Facebook ซึ่งที่จริงมีคนอื่นทำมาก่อนแต่ไลค์กลายเป็นศูนย์รวมความสุขโดยมีพลังระดับ Facebook ทำให้เกิดการรับรู้ระดับโลกว่า มนุษย์หอยหาความชื่นชอบของคนอื่นเพียงใดมีคนวิจัยกันไว้มากแล้วเกี่ยวกับคุณละโทษของไลฟ์รู้ๆกันด้วยความรู้สึกเฉยๆแล้วว่าเพื่อแลกไลฟ์บางคนยอมเสี่ยงตายบางคนยอมแก้ผ้าบางคนใช้สารพัดวิธีแปลกๆวันนี้ลองมาถามตัวเองกันดีกว่าครับว่าคุณเองเสพติดไลฟ์หรือให้ความสําคัญกับไลฟ์ขนาดไหน มันทำให้คุณเป็นทุกข์ได้ไหมหรือมันช่วยให้คุณเป็นสุขขึ้นได้จริงๆไหมเราเสพติดไลค์มา น, นานจนนึกว่ามันเป็นของของเราไหมเราเสพติดไลค์จนนึกว่าในเฟซคือที่ที่มีแต่คนชอบเราไหมเราเสพติดไลค์กระทั่งทำอะไรที่ฝืนใจไม่ใช่ตัวเองบ้างไหมเราเสพติดไลค์จนไม่อาจยอมรับความจริงขั้นต่อไปไหม